เชิญสุกท่านสาทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้จะได้บรรยายในหลักสูตรของธรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและทรามศาทุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้บรรยายในหัวข้อเรื่องที่ว่าองค์แห่งธรรมกัคคัคือนักเทศห้าอย่างความหมายของคําว่าองค์แห่งธรรมกัคคัก็คือว่า การแสดงธรรมหรือว่าหลักการแสดงธรรมที่เราเรียกกันโดยทั่วไปก็คือว่านักเทศน์กันเองฉะนั้นองค์แห่ง น, นักเทศน์หรือว่าองค์แห่งพระธรรมก็ชถึกนั้นมีอยู่ห้างอย่างด้วยกันคือหนึ่งแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความสองอ้างเหตุและผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจสามตั้งจิตเมตตา ปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 4. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาบ 5. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่นพิสูจผู้เป็นธรรมักรถึงพึงตั้งองค์ห้าเหล่านี้ไว้ในจิตในใจฉะนั้นการแสดงธรรมแม้จะรวบกรบตัดความให้น้อยเพื่อให้ สมควรแก่เวลาหรือว่าให้เหมาะแก่เวลาหรือสถานที่หรือว่าแก่พุทธบริษัทก็ต้องไม่แสดงให้ขาดเนื้อความจนเสียกระแสธรรมการแสดงธรรมให้เสียกระแสธรรมนั้นชื่อว่าการแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ลัดตัดความก็คือหมายความว่าคือแสดงไปแล้วก็ให้ผู้ฟังเข้าใจแม้ว่าเราจะแสดงโดยย่อนะ แต่ว่าเราก็ย่อให้มีสัดมีส่วนนะแย่อย่อให้ให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมคือย่อให้มันเข้ารูปเข้ารอยย่อให้ย่อให้เป็นวักเป็นตอนถ้ า, ากว่าเราไปแสดงรวบรัดตัดใจความมากแน่นอนที่สุดก็จะทําให้ผู้ฟังนั้นไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะทําให้เข้าใจคุ้ยเขวหรือว่าฟันเฟือได้ฉะนั้นเรื่องการแสดงธรรมหรือว่าการบรรยายธรรมนี้ จึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญผู้บรรยายทำหรือว่าองค์แห่งพระธรรมมากระเถิดนั้นก็คือเป็นผู้แสดงฉะนั้นผู้แสดงนั้นจะต้องชี้แจงให้ผู้ฟังเข้าใจนะผู้ฟังเข้าใจและหลักในการแสดงนั้นก็คือว่าเราจะต้องอสังเกตนะสังเกตอย่างไรคือเขาให้ข้อคิดสําสหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทางนี้ หรือว่าที่เป็นศาสตร์ในการแสดงพระธรรมมันก็ถืท่านได้เคยเขียนไว้แล้วก็แสดงไว้ว่าการที่เราจะไปแสดงธรรมที่ไหนนั้นประการแรกเราจะต้องมีการเตรียมตัวนะมีการเตรียมตัวแล้วให้เรารู้ว่าเราจะไปแสดงธรรมนั้นไปแสดงที่ไหนนะงานนั้นเกี่ยวกับงานอะไระงานนั้นเกี่ยวกับงานอะไรแล้วก็ให้เรานั้นพยายาม คน้นคว้าหาเหตุผลมาประกะอบมีหลักฐานที่มาที่ไปในการแสดงให้เหมาะสมกับสถานที่การละเทศะคือเราจะต้องดูด้วยว่าในสถานที่เราไปแสดงนั้นมีพุทธบริษัทที่มาฟังนั้นเป็นโดยมากเป็นผู้หญิงมากหรือผู้ชายมากอยู่ในชนบทหรือว่าอยู่ในเมืองกรุงแล้วก็เราจะต้อง สอบถามดูด้วยว่ามีพระเถระที่เชี่ยวชาญมีใครบ้างที่เคยมาแสดงที่นั้นที่นี้อันนี้ก็เพื่อเป็นการาวัดหรือว่าเป็นการที่เราจะได้ปรับปรุงธรรมะที่เราจะมาแสดงกับที่นั้นให้เหมาะสมให้ถูกต้องตามการละเทสะนั่นเองถ้ า, าว่าเป็นาชาวกรุงแน่นอนที่สุดก็ย่อมจะไดม้มีการศึกษาได้รู้ได้เห็นอะไรมากเราก็จะต้องพูด ให้มันทันสมัยนะพูดให้ทันสมัยถ้าว่าอยู่ตามชนบทแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องพูดเป็นธรรมะเบาใจนะเป็นนิทานเป็นเรื่องเป็นราวทีนี้ที่เราไปแสดงนั้นเป็นที่เขาสนใจทํากันมากไหมโดยปกติถ้าสนใจทำมากอนะเราก็จะต้อง ม, รร ม, ม, ม, อนะมีธรรมที่สุขุมลุ่มลึกหน่อยนะมีธรรมที่สุขุมลุ่มลึกหน่อยถ้าว่า ไม่่อยมีคนสนใจธรรมมากเราก็พูดเป็นธรรมะเบาใจเป็นปุคลาธิฏฐานให้มากนะเป็นปุคลาธิฐานให้มา ก, ก, ราา ห, มากหรือมิฉะนั้นเราก็ดูได้ว่าที่เราไปแสดงในสถานที่นั้นเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าเป็นนักเกรียนนักศึกษาเราก็จะได้เตรียมเรื่องราวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหากว่าเราได้ตระเตรียมอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทําให้เราคือองค์ แห่งพระธรรมก็เถิดนั้นมีความพร้อมคนเราถ้าหากว่ามีความพร้อมแน่นอนที่สุดการบรรยายธรรมก็ดีการแสดงธรรมก็ดีการปราฐกถ า, าการเทศทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะเป็นไปตามเป้าหมายทั้งผู้แสดงและผู้สดับก็ย่อมจะได้เนื้อความเรียกว่ามีได้เหตุได้ผลได้สาระเป็นประโยชน์เกื้อกูลด้วยกันทั้งสองฝ่ายอนี่ก็เป็นหลักของการ แสดงคำในข้อแรกที่ว่าต้องแสดงไปโดยลำดับไม่ลัดตัดให้ขาดความคือบางครั้งเรื่องที่เราแสดงนั้นเป็นเรื่องยาวไม่เหมาะสมกับเวลาเราก็ลัดตัดความให้สั้นนะให้สั้นหรือบางครั้งก็เอาแต่หัวใจนะเอาแต่หัวใจมาหัวใจความเรื่องนี้จริงๆเนี่ยคืออะไรนะเขาแสดงไว้อา่าเป็นคติสอนใจกับเราอย่างไรนี่เราจะต้องแยกออกมาให้ได้ จากนั้นก็เราต้องทิ้งท้ายฝากไว้ให้ผู้ฟังทั้งหลายว่านิทานที่เราเล่านี้สอนให้รู้ว่าทำให้คนมีสติทำให้คนมีวิริยะหรือว่าทำให้คนมีขันติทำให้คนมีศรัทธาทำให้คนมีสมาธิทำให้คนมีปัญญาอะไรนี่เราอาจจะสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งนี่สรุปได้ฉะนั้นเมื่อเราจะรวบรวมจัดในความก็ต้องไม่ให้มันเสียความเฉยจนเกินไป นะก็เหมือนกับการาเรียงความคือเราจะต้องรู้จักย่อความนะย่อความมาในข้อที่สองบอกว่าอ้างเหตุและผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจนะข้อนี้สําคัญคือเขาบอกว่าถ้าเป็นนักเทศนะเป็นนักเทศแล้วก็เทศให้คนฟังไม่เข้าใจแล้วก็แน่นอนที่สุดเทศกันนั้นจะดีไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าผู้เทศยิงไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ ผู้ฟังก็จะต้องไม่เข้าใจไปด้วยนะก็ขนาดผู้ฟังเองยังไม่รู้ขนาดผู้เทศเองยังไม่รู้เรื่องเราจะให้ผู้ฟังรู้เรื่องอยังไงนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดอันหนึง่งนอะ่าเป็นข้อคิดที่ผู้ที่จะเป็นนักเทศนักสแสดงนั้นจะต้องใส่ใจให้มากาเรื่องอ้างเหตุและผลแนะนําให้ผู้ฟังเข้าใจนั้นก็มีอยู่หลักมีเหตุอยู่หลายประการคือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระธรรม ก, ก็เถิดหรือนักเทศน์นั้นผู้บรรยายนั้นผู้พานกถฐานั้นจะต้องเป็นคนศึกษามากปฏิบัติมากพอควรนะถ้าหากว่าไม่เป็นผู้ศึกษามากแน่นอนที่สุดก็อาจจะทำให้เหตุผลที่ยกมาประกอบนั้นอ่อนหรือว่าเบาลงไปนะเบาลงไปฉะนั้นการอ้างเหตุอ้างผลที่มาที่ไปแน่นอนที่สุดก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจได้ง่ายนะเข้าใจได้ง่ายเช่นเป็นต้นว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจสี่นะตรัสรู้อริยสัจสี่ตรัสรู้อย่างไรเรียกว่าตรัสรู้อริยสัจสี่คำว่าอริยสัจก็คือว่าความจริงอันประเสริฐความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนะมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งรู้ทุกหนึ่งรู้ทุกสองรู้เหตุให้เกิดทุกสามรู้ความดับทุกสี่รู้หนทางให้ถึงความดับทุกนี่เป็นอริยสัจที่องค์สมเด็จพระสัมมาวุฒิเจ้า ได้ทรงกรัสรูแล้วก็เป็นการทําให้อาสวักิเลสหมดสิ้นไปนะได้เป็นพระสัมมาสัมพธิญาณ น, นั่นเองนะทีนี้ถ้าเราจะมาเทียบกับในเหตุการณ์ปัจจุบันที่บอกรู้เหตุก็ได้คือรู้ตัวปัญหาเพราะทุกวันที่เราทุกคนมีปัญหากันนั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะจะเป็นปัญหาน้าท่วมนะีปัญหาเศรษฐกิจขาดแคลนหรือ ว, ว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสามีภรรย า, าไปมีคบชู้สู่สาวอะไรก็แล้วแต่ อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุทางนั้นไม่ใช่ไม่มีเหตุทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเหตุแล้วก็จะหมดลงไปก็ได้เหตุอันนั้นอีกเหมือนกันฉะนั้นอันนี้แหละเราจึงบอกว่าเมื่อเรารู้ปัญหาเราก็ต้องรู้เหตุให้เกิดปัญหาว่าเหตุที่เกิดปัญหาแห่งความยากจนเนี่ยมันเพราะอะไรเหตุให้เกิดปัญหาแห่งความทะเลาะเบาแวงเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราเป็นคนขี้บน่นเป็นคนจู้จี้หรือเปล่าเราเป็นคนเกียจคร้คานหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องมีเหตุ ดยูดีมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาที่เราทุกคนอควรจะใส่ใจควรสนใจถือว่าเป็นหลักสําคัญเมื่อเรารู้ปัญหาและก็รู้เหตุให้เกิดปัญหาเราก็รู้ว่าปัญหานั้นมันจะหมดไปอปัญหานั้นมันหมดไปได้อหมดไปได้อก็คือตัวนิโรดนั่นเองอตัวดับดับกิเลสตัณหานี่เหมือนกันอตัวที่เรารู้ก็คือว่ารู้ที่ว่า ปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องดับได้นะดับได้แล้วก็รู้วิธีการที่จะแก้ปัญหาให้หมดไปได้นั้นนี่ก็คือตัวมครคนั่นเองอนะตัวมครคนี่รู้อย่างนี้เรียกว่าเรารู้เหตุรู้ผลนะหรือเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าในสัพปริสธรรมเจ็ดการที่ว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักประชุมชนรู้จักเลือกคบบุคคลนี่แหละถือว่าหากว่ามีอยู่ใน ตัวของผู้ใดในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็คือว่าเป็นนักปราชญ์ก็คือว่าเป็นคนดีนะเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดให้คําว่ารู้จักเหตุก็คือว่ารู้จักเหตุแห่งความเสือ่อมรู้จักเหตุแห่งความเจริญนะอะไรเป็นเหตุแห่งความเสือ่อมเป็นต้นว่ า, าการนอนตื่นสายนะนี่ก็เป็นเหตุแห่งความเสื่อมอย่างหนึ่งนะคนถ้านอนตื่นสายเขาเรียก ว, ว่า น, นอนกินบ้านกินเมืองนะอนอนตื่นสายเขาเรียกว่า นอนไม่รู้จักเว ล, เวลานะนอนอย่างนี้เขาเรียกว่านอนเสียการงานแนะปะการที่สองก็คือเป็นคนดุร้ายนะเป็นคนดุร้ายนี่ก็เป็นเหตุแห่งความเสื่อมเป็นเหตุแห่งความหายนะปปะการที่สามนอนนานก็คือนอนขี้เศรนะ้คนนอนขี้เศร้านี่มันก็ยิ่งเสียมากใหญ่ลกก็ไม่ค่อยจะลุกคอยพัดวันประกันส่องอยู่เรื่อยนะ กว่าจะลุกได้ก็แบบบิดซ้ายบิดขวาบิดแล้วบิดอีกบางครั้งลุกขึ้นแม้ก็ น, นั่งพบลงไปอีกนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าคนขี้เศร้านะคนขี้เศร้าชนะอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเสื่อมเป็นเหตุแห่งความชิบหายอีกเหมือนกันอ้านะประการที่สี่ก็คือว่าอ่านะเป็นคนเดินทางไกลคนเดียวนะคนที่เดินทางไกลคนเดียวก็มีปัญหามากอนะ่คนโบราณเราจึงบอกว่า คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายคือถ้าไปคนเดียวนี่มีเหตุอะไรขึ้นมานี่เราเราแก้ไขไม่ได้อถ้าสองคนเราช่วยกันแก้ไขได้นะแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่เป็นมนุษย์หรือสัตว์นั้นก็อาจจะขลั่งคล่ได้ถ้าเราสองคนเราช่วยกันได้แต่ถ้าคนเดียวนี่รู้สึกว่าถ้าหากว่าเรานั้นขาดสติหรือประมาทแล้วแน่นอนที่สุดก็มีแต่มีแต่ความเพี่ยงพล้ำอย่างเดียวห่ายแพ้อย่างเดียว แล้วเราอาจจะตายหรือเป็นอะไรไปก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครช่วยเหลือแต่ทั้งสองคนนี้อาจจะช่วยเหลือกันได้และเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเป็นอันตรายอีฝ่ายหนึ่งก็อาจจะนําเหตุการณ์อนั้นมาบอกข่าวกล่าวกับพวกญาติพี่น้องพ่อแม่ได้นี่อะไรกว่าฉะนั้นการเดินคนเดียวนี้จื่ว่าจึงมีพิษมีภัยมากเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเป็นทางแห่งความเสื่อมนะและประการที่ห้าก็คือว่าการเป็นคนที่อไป ไปคบภรรยาของบุคคลอื่นนะการครบภรรยาหรือว่าลูกเมียของบุคคลอื่นนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งความหายนะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอีกเหมือนกันนี่แหละเมื่อเรารู้ว่านี่เป็นเหตุแห่งความเสือ่อนมะรู้อย่างนี้แหละแสดงว่าเราได้อ้างเหตุอ้างผลมาให้อผู้ฟังนั้นเข้าใจนะแปลการที่อสองที่บอกว่ารู้จักผลก็รู้จักว่า้ผลนี้มันมาจากอะไรนะ มันมาจากอะไรสาวไปหาเหตุอไอ้ผลถ้าหาว่าผลมันเกิดเป็นทุกข์มันมาจากอะไรว่ า, าจจะมาจากการนอนตื่นสายก็ได้หรือมาจากการเป็นคนดูร้ายมาจากการเป็นคนอนอนขี่เศ้าหรือว่ามาจากการเป็นคน เ, เดินทางไกลคนเดียวมาจากการเป็นคนชอบไปครอลกเมียของผู้อื่นหรือเป็นการมาจากการ เดิมสุราเมรายมาจากการเล่นการพนันหรือว่ามาจากการเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายหรือว่าครบคนัทั่วเป็นมิตรอ่าอันนี้มันก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์นะเหตุแห่งความสุขก็เหมือนกันนะเมื่อที่เราได้สุขเนี่ยมันมาจากไหนนี่เราก็สาวไปหาเหตุนะเราสาวไปหาเหตุก็คือเนี่เรารู้จักผลอ่าเราก็สาวไปหาเหตุว่าที่เราทําอย่างนี้ที่มีความสุขนี่เพราะอะไรหนึ่งเป็นเพราะว่าเรามีความขยันสองเป็นเพราะว่าเรารู้จักประหยัดสามเป็นเพราะว่าเรามีความซื่อสัตย์ ฟรีเป็นเพราะว่าเรามีความอดทนห้าเป็นเพราะว่าเราเป็นมีอ่าเป็นคนกระตันอยู่นะอันนี้มันก็เป็นเหตุแห่งความสุขนะหรือว่าเอ่าเราเป็นคนให้ทานไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนรักษาศีลเป็นคนเจริญสมถะภาวนาหรือเจริญสมาธิแน่นอนที่สุดอันนี้มันก็เป็นเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขความสุวัสดีนะเรารู้อย่างนี้แลเรียกว่าเรารู้เหตุรู้ผลนะเรารู้เหตุรู้ผล เหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญอแล้วเมื่อเรารู้ผลผลแห่งความเสื่อมผลแห่งความเจริญที่เราเสื่อมเนี่ยผลมันมาจากเราก็ทํายังไงอที่เราอเจริญขึ้นนี่เหตุมันมาจากอะไรเนี่ยผลมันเกิดขึ้นมาอย่างไงคือให้เรารู้ว่าให้เหตุอันนี้ถ้าเราทําไปแล้วมันก็จะไปเกิดความหายนะนี่เหตุอันที่เราทําอย่างนี้ทําไปแล้วก็เกิดเป็นความเจริญหรือว่า ผลที่เราได้รับความสุขอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไระที่เราได้ความทุกข์อย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรนี่อย่างนี้เรียกว่าเราอ้างเหตุอ้างผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจแน่นอนที่สุดเมื่อเราจะทาอย่างนี้ได้โดยที่ว่ามีข้อเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยนะอุปมาอุปไมยข้อนี้ชั้นใด อ, อย่างนี้ก็ฉั้นนั้นเป็นต้นว่าสนิม มันเกิดขึ้นจากเหล็กแต่มันก็กัดเหล็กนั้นให้ผุให้กร่อนไปกัดเหล็กนั้นให้ไม่เกรียมไปให้ย่อยยับไปจนถึงแก่ผุทําลายอข้อนี้ฉันใดความโลภความโกรธเหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นจากในใจของผู้ใดมันก็ย่อมกัดย่อมเผาจิตใจของผู้นั้นให้กร่อนไปให้เกือให้เสื่อมไปให้ถึงความหายานะไปฉันนั้นเหมือนกันนี่เรายกเหตุผลอุ ป, ปมาอุปไมยมาเปรียบเทียบนะอย่างนี้ก็ จะทำให้ผู้ฟังนั้นมีความเข้าใจแจ่มแจ้งผู้ใจแจ่มแจ้งออันนี้ก็เราจะต้องขึ้นอยู่กับว่าที่เราพูดนั้น่ะเป็นนักเรียนนักศึกษาใครการทหารตำรวจอหรือว่าเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนอะไรอ่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างที่เราจะต้องยกมาให้เหมาะสมอกับสภาวะหรือตจำเหตุการณ์อกับผู้ฟังนั้นๆเป็นสิ่งสําคัญประการที่สามตั้งจิตเมตตาปรารถนา ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังให้ทาว่าตั้งจิตเมตตาปราถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังก็คือว่าทุกครั้งที่เราไปแสดงธรรมหรือว่าเราไปเทศเราไปสอนเขาหรือว่าเราไปบรรยายธรรมนั้นเราจะต้องตั้งกัลยาณจิตไว้ดีคือตั้งจิตไว้ให้งามปราถนาที่ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง เ, เพราะว่าเรานั่นเปรียบเสมือนว่าเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถือว่าเราเป็นสาวกเป็นทายาทที่จะต้องเอาพระธรรมคาสั่งอนของพระองค์นั้นเอาไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังนะเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังโดยที่เราตั้งความปรารถนาดีไว้ว่าเราจะต้งองไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะทุกสิ่งทุกอย่างคือที่บอกว่าตั้งจิตเมตตาก็คือปรารถนาดีต่อกันต้องการให้เขานั้นได้รับประโยชน์ให้มากนะไม่ใช่ว่า เราไปแสดงด้วยความอาฆาตมาศร้ายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนั้นหรือด้วยความโลภความโกรธความหลงอย่างนั้นมันก็ถือว่าผิดหลักของนักเทศนะผิดหลักของนักเทศเนือถึงแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบใครซึ่งอยู่ในที่นั้นแต่เราก็ต้องตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาว่าที่เราจะพูดไปนี้ขอผู้ฟังได้เข้าใจนะให้ผู้ฟังได้เข้าใจอย่างนี้ก็แน่นอนที่สุดทุกครั้งที่เราไปเทศก็ขอให้เรานั้น ได้ทําจิตใจให้แจ่มใสทําจิตใจให้ปลอดโปรง่งนะเมื่อเรามีจิตใจผ่องใสดวงหน้าผ่องใสเออบอิ่มแล้วแน่นอนที่สุดผู้ที่พบเห็นนั้นก็คลอยให้สบายใจไปด้วยนะถ้าเราเครียดคนฟังก็เครียดไปด้วยอันนี้แน่นอนบอกไว้ในต้นแล้วว่าคนแสดงทำนั้นก็เหมือนกับพวกนักแสดงอ่าบนเวทีต่างๆก็จําเป็นอย่างยิ่งเอ่าถ้าหากว่าสีหน้าบึง้งนะคนดูก็จะบึ้งไปด้วยนะเหมือนกับเราส่องกระจก ถ้าหน้าเราเบื่ไอไงเงาในกระจกมันก็บึง้งถ้าเรายิ้มเงาในกระจกมันก็ยิ้มฉะนั้นเราจะต้องตั้งจิตประกอบด้วยเมตตานะเประกอบด้วยเมตตาไม่คิดอาฆาตไม่คิดปยาบาตไม่คิดจองร้ายจองผานผู้หนึ่งผู้ใดถึงแม้ว่าในสถานที่นั้นจะเกิดมีอาการไม่สงบก็ดีหรือจะมีการโต้ตอบหรือว่าถามปัญหาอะไรที่จะรุนแรงหรือทําให้เราไม่สบายใจเราก็ต้องตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาเข้าไวอันนี้นอกจากจะว่า เราตั้งความปรารถนาดีให้เป็นประโยชน์กับผู้ฟังแล้วก็คือว่าเรายังจะเป็นผู้แสดงให้ผู้ฟังได้เห็นว่าเราเอานั้นเป็นผู้นําได้เป็นพระธรรมก็ถือเป็นนักแสดงนั่นจะต้องมีความอดทนนมีความอดทนอดคั่นอดอ้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่านักแสดงนั้นแน่นอนที่สุดก็เทากว่าบางครั้งนี้ต้องไปเปลี่ยนความคิดเห็นนต้องไปเปลี่ยนความคิดเห็นต้องไปปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์หลายๆอย่าง ย่อจะต้องมีคนต่อต้านบ้างอันนี้เป็นธรรมดานะต้องมีคนต่อต้านบ้างเฉะนั้นเราจะต้องตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาไว้ว่าจะไม่คิดอาฆาตมาร้ายเขานะถ้าหากว่ามันรุนแรงเราก็หลีกไปหลบไปเราก็นิ่งเสียนะอันนี้สําคัญแต่ถ้าสิ่งใดมันมีประโยชน์ถูกเหมาะสมกับการเวลาอย่างนั้นเราก็ควรพูดถ้าหากว่ามันไม่เป็นประโยชน์ไม่ไม่ถูกการละเวทเทศะไม่ถูกกับบุคคล น, นะอย่างนี้เราก็ไม่พูดนะไม่พูด ข้อนี้เราก็ต้องพิจารณาให้มากนะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งจิปตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังคือทุกครั้งที่แสดงนั้นต้องรู้ว่า เ, าเราจะทจาําอย่างไรจึงจะให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายนะแล้วเราก็หาวิธีการอันนั้นแหละ ย, ยกข้อเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยหรือบางครั้งอาจจะขีดจะเขียนอทุกสิ่งทุกอย่างอานี่เป็นเรื่องสําคัญอนี่ก็เป็น เป็นข้อที่สามนะเป็นข้อที่สามก็คือว่าแสดงด้วยแสดงทำด้วยจิตเมตตาปรารถนาประโยชน์คือความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ฟังอ่าเป็นเรื่องหน้าคือพระธรรมที่นำมาแสดงนั้นต้องเลือกสรรให้เหมาะสมแก่ฐานและภูมิชั้นของเขาไม่สักแต่ว่าแสดงไปไปตามสำนวนโวหารอ่าพาไปพอจบกันหนึ่งก็กันนึงแค่นั้นไหนอันนี้ไม่ได้คือเราจะต้องเลือกธรรมะด้วยนะให้เหมาะสมกัน ถ้าเขาเป็นนักเรียนนักเรียนเราก็ต้องสแสดงหัวใจของนักเรียนแสดงหัวใจของนักเรียนถ้าว่าเราไปสแสดงในที่ไหนถ้าว่ามีสุภาพสตรีมากเราก็ต้องสแสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องความงามความงามในทางโลกความงามในทางธรรมหรืออาจจะว่าถ้าเราอาจจะสแสดงเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์เพราะทุกคนนี่ชอบเสน่ห์มากเลยฉะนั้นสุภาพสตรีนี่ชอบความสวยความงามเราก็ต้องพูดถึงเรื่องความสวยความงาม ถ้าว่าที่นั่นไม่เป็นทหารตำรวจเป็นผู้ชายมากแน่นอนที่สุดแล้วก็ต้องแสดงถึงเรื่องความรักชาติเรื่องความสามัคคีเรื่องความเป็นใหญ่วิธีการสร้างความเป็นใหญ่วิธีการที่จะให้ชนะใจผู้อื่นนี่เราจะทำอย่างไรนี่อันนี้แน่นอนที่สุดผู้ชายนั้นชอบการต่อสู้นะชอบการต่อสู้เป็นฮีโร่ว่ากันเถอะอ่าฉะนั้นอันนี้แหละเราจะต้องเลือกการละเทศะถ้ามีคนแก่มากเราจะต้อง พูดคำที่สุภาพแล้วก็พูดคำนุ่มนวลพูดคำนุ่มนวลแล้วก็มีนิทานมีเรื่องบีราวอันนี้คนแก่ชอบนี่ฉะนั้นเราจะต้องเลือกสรรธรรมะหัวข้อต่งตางๆให้เหมาะสมกับการละเทศะนั้นๆก็จะได้ชื่อว่าเรานนั้นตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาให้ผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดในการฟังในข้อที่สี่ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแกล่ลาบ ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแกล่ลาภคือการแสดงธรรมด้วยจิตด้วยจิตที่กระตันอยู่กระตะเวทีคือบูชาคุณพระ ต, ะะตะถาคตด้วยการช่วยกันแสดงธรรมประกาศธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แพร่หลายไป อ, อย่างนี้ชื่อว่าไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแกล่ลาภแต่ถ้าเราแสดงธรรมเพราะเห็นแกล่ลาภก็คือว่ามุ่งเอาเครื่องสักการะเป็นใหญ่ และเราจะแสดงไปนั้นก็ไม่ได้คํานึงถึงนะว่าเป็นธรรมะโยมจะฟังออกหรือไม่ออกฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะก็ะแสดงมันไปให้หมดหมดกันๆหนึนน่งแคน่นั้นเองแล้วก็เราไม่มีการเ ต, ตรียมไม่ได้เลือกสรรหัวข้อธรรมะว่าจะเหมาะสมกับผู้ฟังอย่างไรอ่าจะเป็นเหมาะสมกับทหารไหมทหารบดไหมหรือว่าข่ายการกรมกองต่างๆเหมาะสมกับชาวนาไหมธรรมะที่เราแสดงนี่อเหมาะสมกับชาวไร่ชาวสวนไหมนี่ เหมาะสมกับชาววัดไหมนะถ้าหากว่าเราไม่เลือกเฟ้นธรรมะไม่เลือกเฟ้นหัวข้อธรรมะที่จะไปบรรยายไม่มีการตระเตรียมแน่นอนที่สุดก็เหมือนว่าเรานั้นไม่ตั้งใจอนะการแสดงธรรมโดยไม่ตั้งใจคือแสดงธรรมเพืเห็นแก่ลาบนั้นแน่นอนที่สุดมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนะเป็นการทําลายตัวเองนะเพราะว่าการที่จะเป็นนักแสดงนั้นจะต้องมีคุณสมบัตินะอยู่ในตัวต้องแสดงให้ผู้ฟังนั้น เขาเห็นว่าตัวเองนั้นเป็นผู้นําได้นะที่จะบอกกล่าวให้คนเคารพเชื่อถือได้ให้เกิดศรัทธาได้แต่ผู้นํานั้นไม่มีคุณธรรมความดีอยู่ในตัวแล้วแน่นอนที่สุดใครเขาจะมานั่งฟังใครเขาจะมาเกิดความเคารพกราบไหว้บูชานะดังนั้นอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องอไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแกล่ลาบนะการแสดงธรรมเพราะเห็นแกล่ลาบนั้นแน่นอนที่สุดอันนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการแสดงธรรมตามหลักในทางพระพุทธศาสนา นอกจากจะย่ำยีพระพุทธตัวเองแล้วก็ยังเป็นการย่ำยีพระพุทธศาสนาอันนี้ไม่ดีนะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนแล้วก็อาจจะเกิดความาหายนะในเหตุการณ์หลายๆอย่างนะนี่ก็เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็คือว่าไม่แสดงทำกระทบตนและผู้อื่นคือว่าไม่ยกตนเสียสีผู้อื่นก็หมายความว่าพระธรรมถึกไม่พระธรรมกระถึก ไม่ถือเอาการแสดงธรรมของตนไปด่า ว, ว่าผู้อื่นด้วยเจตนาร้ายและไม่ยกตนข่มท่านโดยเชิงแสดงธรรมชื่อว่าไม่แสดงธรรมกระทบกระเทือนตนและผู้อื่นนะวนนี้เป็นสิ่งสำคัญคือหมายความว่าการที่เราแสดงธรรมกระทบผู้อื่นโดยอาศัยที่ตัวเองได้มีโอกาสมีอำนาจอย่างนั้นถือว่าไม่ยุติธรรมไม่เป็นนักแสดงที่มีคุณธรรมไม่เป็นนักแสดงที่ อปปาณาธนาที่จะให้ผู้ฟังเกิดประโยชน์ในการฟังและก็ไม่ใช่ว่าเป็นนักแสดงที่มีเหตุมีผลนะก็กลายเป็นว่าเป็นการทำลายตนและทาลายผู้อื่นการแสดงอย่างนี้ก็เท่ากับว่าไปเพิ่มศัตรูให้มากยิ่งขึ้นนะไปเพิ่มศัตรูให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจในทางพระพุทธศาสนาอันนี้เราจะมีเห็นไม่น้อยว่าบางครั้งเราจะเคยได้ยินได้ฟัง ผู้แสดงหรือผู้ปากระถาจะเป็นทางนักการเมืองก็ดีบางครั้งก็ถึงกับตัวตายได้เหมือนกันะที่เขาจึงบอกว่าพูดดีก็เป็นสีแก่ปากพูดมากปากก็มีสีนฉะนั้นเราต้องพูดให้ดีถึงคขาพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรถเท่อร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทํำลายมิจะชอบผิดในมนุษย์พระพูดจ่านี่ฉะนั้นเรื่องผูดจานี้จึงเป็นสิ่งสาคัญเราต้องตั้งไว้เลยว่าเราจะพูดให้เขารักเราจะพูดให้เกิดประโยชน์ แก่ชนหมู่มากนะเราจะพูดให้เขาเกิดศรัทธานี่อะไรอย่างนี้ใั้นจริงเหล่านี้แหละจะบอกว่าเราไม่ควรแสดงธรรมกระทบกระทบตนและผู้อื่นอนะการกระทบตนก็คือว่าไม่ยกตัวเองการแสดงธรรมที่ยกตัวเองนั้นเป็นการเป็นการอวดดีนะเป็นการโอ้อวดอันนี้คนคนผู้ฟังนั้นเขาย่อมรู้คนที่อวดตัวเองยกตัวเองนั้นอนะ่ะแน่นอนที่สุด ทำให้คนเสื่อมศรัทธาทําให้คนไม่อยากคบค้าสมาคมทําให้คนขาดความเลื่อมใสอันเป็นปัจจัยที่ให้ฟังทำปฏิบัติธรรมสืบต่อไปฉะนั้นเราไม่ควรยกตนของท่านอการแสดงธรรมนั้นต้องอ่อนน้อมถ่อมตนการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์มากอ ท, กทุกชั้นทุกวันนะถ้าหากว่ามีการอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วแน่นอนที่สุดประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะ อันนี้อามาได้เคยสอนนักเรียนให้บอกว่าอ่อนน้อมถ่อมกายจิตใจสุภาพซึมอสัตใจชนทุกคนสรรเสริญกระด้างถือดีไม่มีจำเริญ น, น่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมถ่อมตนฉะนั้นจึงบอกว่าให้เราทุกคนนั้นเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนั้นจะเป็นคนเกิดในตระกูลสูงน์นคนที่แข็งกระด้างก็จะเป็นคนเกิดในตระกูลต่ำฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้น จงแสดงธรรมด้วยความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอย่ายกตนกระทบผู้อื่นหรือว่าด่าว่าผู้อื่นโดยเจตนาร้ายต่างๆนานาฉะนั้นการบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่ององค์แห่งธรรมก็ถึกหรือองค์แห่งหลักนักเทศน์นั้นจะขอรวบลัดประเดความย่อๆอีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดท้ายก็คือว่าธรรมะทั้งห้าข้อที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่าการแสดงธรรมไปโดยลําดับไม่ลัดตัด ให้ขาดความสองอ้างเหตุผลแนะนําให้ผู้ฟังเข้าใจสามจ้างจิตเมตตาภารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาบห้าไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือว่าไม่ยกตนเสียสีผู้อื่นให้เขาต้องเกิดความเสียใจให้เขาต้องเกิดความอาฆาตไปยบาดให้เขาต้องเกิดความไมยเนื้อต่าใจหรือเกิดทุกข์เกิดโทษนะเราต้องแสดงให้เขานั่นเรียกว่าฟังแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความโลภความโกรธความหลงได้สามารถจะ ทำให้เขาคนที่มามีทุกข์นั้นอ่าคลายจากทุกข์ได้หรือหมดทุกข์ได้แล้วก็ให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจรู้เรื่องสามารถที่จะตัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้อันนี้เราถือว่าเราได้แสดงธรรมตามหลักในทางพระพุทธศาสนานโดยที่ว่าตั้งความปรารถนาดีไม่ยกตนกระทบผู้อื่นไม่ทําให้ผู้อื่นต้งองเดือดร้อนนทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นจําเป็นที่จะทำกระกือทุกทุกรูปน จะต้องตั้งอยู่ในองค์ทั้งห้าอย่างเพราะว่าการแสดงธรรมเป็นกิจสําคัญอย่างหนึ่งในฝ่ายพระพุทธศาสนาบุคคลผู้ยังไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสจะได้ศรัทธาเลื่อมใสหรือบุคคลที่ได้ศรัทธาเลื่อมใสก็จะทําให้เกิดเป็นปัจจัยในการที่จะรักษาศีลก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขความสวัสดีโดยทั่วเจริญสุขท่านสาธุชนผู้<ม>สนใจในธรรมทั้งหลาย ต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเสดต่อไปฉะนั้นวันนี้ก็จะได้กาบรรยายในหัวข้อว่าธรรมมสวรณานิสงคืออนิสงส์แห่งการฟังธรรมห้าอย่างก็มีหนึ่งผู้ฟังย่ำได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสอง สิ่งที่สิ่งใดเคยได้ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดยิ่งขึ้นสามย่อมบรนเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องห้าจิตของผู้ฟังย่อมฟ่องใสทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นอนิสงแห่งการฟังธรรมนะถ้าพูดถึงเรื่องการฟังธรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้จัดไว้เลยว่ากาเลนะธรรมัตสวนังเอตัมมังคามุตตังการฟังทันตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดการฟังทันตามกาลเป็นมงคลอันเจริฐสุดการไม่ฟังทันตามกาลเวลาถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายควรจะเป็นคนสนใจในการฟัง หรือว่าควรจะเป็นคนฝึกเรื่องเป็นคนที่ว่าให้ฟังเป็นนะแล้วก็รู้จักฟังนะฟังอย่างไรจึงจะฟังรู้เรื่องฟังอย่างไรจึงเรียกว่าฟังเป็นคนที่ฟังเป็นก็คือว่าตั้งใจฟังเป็นเบื้องแรกนะปรากการที่สองก็คือว่าน้ําจิตเข้าไปในผลของพ r a t a n a t ให้เกิดความเชื่อความย่ำใส่ปรากการที่สามฟังแล้วให้รู้เรื่องเรื่องที่เราได้ฟัง แยกแยะออกไปอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เรื่องนั้นมีความมุ่งหมายอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรเมื่อจิตเราเรื่อสายอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทำให้เรานั้นเกิดความโปรดใจในรถแห่งพระธรรมก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความโลภความโกรธความหลงจากใจของเราให้หมดไปได้นี่เป็นอนิสงส์แห่งการฟังธรรม ท, ทีนี้ในข้อแรกที่บอกว่าอานิสงส์การฟังธรรมก็คือว่า อนหนึ่งผู้ฟังย่อมไม่ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังนะอันนี้แน่นอนที่สุดนะคือคนเราก็โดยมากก็คือว่าจะไม่เคยได้ฟังหาเรื่องราวอะไรมาก่อนนะคือบางคนก็อาจจะฟังก็มีแต่บางคนที่ยังไม่ฟังก็มีนะเรียกว่ามีโอกาสขึ้นต่อครึ่งนะแล้วโดยเฉพาะจริงๆแล้วคนคนเรานี่โดยมากก็ไม่ได้เป็นนักฟังกันเสส่วนมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการฟังเทศฟังธรรม เรามาักแต่จะฟังไอ้เรื่องโลกโลกเรื่องของชาวบ้านแต่เรื่องธรรมะเรื่องคุณงามความดีนั้นเราไม่ค่อยได้ฟังกันฉะนั้นตามชน บ, บทต่งตางๆบางครั้งก็รู้สึกว่าจะหาการฟังเทศฟังธรรมยากนะฟังเทศฟังธรรมยากฉะนั้นเมื่อเราได้ฟังแล้วก็แน่นอนที่สุดเราย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังเรื่องราว ต, ต่างๆบางครั้งเราไม่เคยรู้นะเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการเจริญภาวนา คนสมัยอพระพุทธเจ้าหรือว่าสมัยก่อนนั้นรู้สึกว่ามีศรัทธาเรื่องใสเกี่ยวกับเรื่องการฟังมากเพราะว่าฟังแล้วก็ได้บรรลุอ่เจนโสดาปฏิมรักโสดาปฏิผลสรัาทธาสามิมรักสักะทาคามิผลอานาคามิมรักานาคามิผลนาดาตมรักตมผลเป็นจวนวํานวนมากนะเรียกว่าทั้งฝ่ายพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ มัดไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าหนึ่งประการแรกไม่ฟังด้วยศรัทธานะไม่ฟังประกอบด้วยความเรื่อมใสนะ่ไม่ฟังประกอบไปด้วยการตั้งสติหรือว่าตั้งใจฟังด้วยความประมาทก็คือฟังกันไปคุยกันไปฟังกันไปทํางานกันไปแลนะอย่างนี้แน่นอนที่สุดมันจะให้สําเร็จประโยชน์ไม่ได้นะสําเร็จประโยชน์ไม่ได้ฉะนั้นนี้ก็ขอฝากนักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้เป็นข้อคิดนะไว้เป็นข้อคิดฉะนั้น แน่นอนที่สุดเราย่อมจะฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังนะบางคนก็อาจจะไม่รู้เรื่องเลยว่าบางครั้งยังที่เราไปทอดกระถิ่นเนี่ยนะทอดกระถิ่นเนี่ยมีมูลเหตุมาอย่างไรนะใครเป็นคนทอดคนแรกเนี่นี่อันนี้แน่นอนที่สุดอันนี้ก็เป็นทวีไนนิยมบรมพุท ธ, ธานุญาตบางคนที่ทําเป็นคนแรกก็คือได้แก่มหาอุบาติกาคือนางวิสาขานั่นเองนะเป็นคนถวายก็ถิ่นเป็นคนแรกเนะี่อย่างนี้หรือว่า วัดแรกในพระพุทธศาสนาก็คือเวลุวันารามหรือเวลุวันนั่นเองเวลุวันอแปลว่าอ่าสวนไม้ไผ่หรือป่าไม้ไผ่นี่ถือเป็นวัดแรกในทางพระพุทธศาสนานี่เราอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยทราบหรือบางครั้งเราเห็นเขาไปท่อดกระถิ่นในรูปเจ้าเข้อันนี้มันหมายความว่าไงบางคนเห็นแต่รูปจราเข้โดยเข้แต่ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าไงในรูปจราเข้อันนั้นก็ตามตำนานซึ่งได้เขียนกันไว้ซึ่งก็ ไม่กล้าจะยืนยันว่าอันนี้เลยมีมาในเพระสูตรหรือมนพระไตรปิฎกอย่างไรนั้นแต่ว่าได้เคยอ่านเจอทตำในิตำราต่างต่างก็คือว่าที่เราจะเห็นว่าพอออกพรรษาจะมีการทอดกรถิ่นอันนี้แต่ละวัดนั้นกจะต้องมีพวการาชวัตรชัดทงฮะแล้วก็มีเป็นรูปเจระเข้มีเป็นรูปปลาโลกนางเงือกอะไรก็แล้วแต่ละแต่ที่รูปเจระเข้นั้นก็หมายความว่าสมัยก่อนเวลาไปทอดกรถิ่นนะมักจะไปทางน้ําไปทางเรือ ตามเน้นนะลำคลองถนนทุนทางสมัยก่อนไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับในปัจจุบันนี้การคมนาคมไม่สะดวกฉะนั้นเวลาไปกันนั้นก็คนน่าจะเตรียมเข้าของต่างๆนั้นลงอยู่กันไปพายกันไปก็รปรากฏว่ามีเจ้าคุ่มผีก็คือโจรสเค่นี่เองแล้ เ, เกิดจัทตาริ่มใสได้ยินเสียงเขาโ howl ร้อง อ, อึกทุกข์ทุกข์โคมจิงชับกลอบมองแห่แหมเชื่องก็ะถิ่นกันไปตามวัดวารามต่างๆก็เกิดความรื่มใสเกิดความพอใจ อยากจะไปร่วมวนร่วมกุศลกันบ้นนา ก, ก็เลยไหว้คลอตามเรือไปด้วยนะเมื่อไปถึงวัดแล้วปรากฏว่าก็รู้สึกว่าหมดกํำลังอ่อนเพลียมากนะไม่สามารถที่จะตามขึ้นอไปร่วมงานกระถินได้นะอีกอย่างหนึ่งก็เรามาคิดดูว่าถ้าเกิดในงานไหนงานกระถินที่วัดใดเกิดมิจฉาค่ขึ้นไปร่วมด้วยแน่นอนที่สุดพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็คงจะอยู่ไม่ได้งานประชาชมพวกนี้แตกตื่น คนคงไม่ใช่ว่ามาร่วมในงานก็ถิ่นกันแน่กลายเป็นว่ามาดูจละเคกันเสียมากกว่าอดังนั้นเมื่อจละเคตัวนั้นมีศรัทธาแล้วแต่ไม่มีโอกาสาที่จะขึ้นไปร่วมบนร่วกุศลได้ก็เลยว่าเอาละตัวเองก็จะขออยู่ในน้ํานี่แหละแล้วก็ขอฝากชื่อเอาไว้เป็นรูปเอาไว้ว่าทุกครั้งเวลาทอดกรถิน่นก็ขอได้เขียนภาพเป็นรูปเอาไว้เพื่อเป็นที่ยวลึกตัวจิตสกิดใจว่าตัวเองนั้นก็มีใจเป็นบุญเป็นกุศลแม้ว่าจะเป็นสัตวเดรัจฉาน อย่างนี้บางทีเราก็ไม่เคยได้ฟัง เ, เราก็ไม่เคยได้ฟังดังนั้นเราเราก็ย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังเรายังมีอีกหลา ย, ลายอย่างนะมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอนะพระเวชสันตานหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอนะพระโพธิสัตว์ที่ไปชุติสวรรคชาติเป็นต่งตางๆเป็นสัตเป็นหลักฐานก็มีเป็นสัตว์ปกสัตว์น้ำสัตว์มีปีนก น, น, e. นี่ยคืออันนี้แหละเราก็จะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังแต่การที่สอง สิ่งใดที่เราเคยได้ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดก็ย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นคือบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าใครพูดอะไรบอกว่าเราเหมือนว่าเคยได้ยินแต่ว่าเราไม่สามารถจะเล่าได้เราจําไม่ได้แต่พอเขาพูดในเราพอรู้ว่าเรื่องนี้เคยได้ยินเคยได้ฟังมีคนเขาเล่ามาก่อนมีพระท่านเคยมาพูดมาก่อนเคยบรรยายมาก่อนที่นั้นที่นี้หรือเคยกลางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอะไรทำนองนั้นอันนี้หบางครั้งเราเราก็เคยได้ฟังแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเข้าใจ ไม่เข้าเข้าใจว่าไอ้มูลเหตุมันมาอย่างไรนะโมลเหตุมายังไงแต่ว่าพอเราได้ฟังครั้งที่สองอีกรู้สึกเข้าใจหรือว่าบางครั้งก็เราได้ฟังถึงครั้งที่สาครั้งที่สีครั้งที่หครั้งที่หกครั้งที่เ็ดครั้งที่แดครั้งที่เก้าที่สิบก็จะทําให้เราเน้นเข้าใจดียิ่งขึ้นเพราะว่าเราได้ฟังนั้นอาจจะไม่ได้ฟังคนคนเดียวกันพูดอาจจะไม่ได้ฟังพระธรรมก็ถือองค์เดียวกันแสดงอาจจะฟังในหลายองค์แต่ละองค์นั้นก็ย่อม มีลีลาแตกต่างกันไปมีข้อคิดแตกต่างกันไปแต่เป้าหมายก็คืออันเดียวกันเพื่อให้ผู้ฟังนั้นได้รับประโยชน์จากการฟังนะให้มากที่สุดเพื่อต้องการให้ผู้ฟังนั้นได้เกิดคลายความทุกข์คลายความเดือดร้อนนะคลายความโลภคลายความโกรธคลายความหลงนี่ประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าลีการและ ว, วิธีการนั้นอาจจะแตกต่างกันไปอันนี้มันก็เป็นธรรมดานะอันนี้ก็เป็นธรรมดาฉะนั้นจึงบอกว่าสิ่งใดที่เราเคยได้ฟังแล้วนะแต่ไม่เข้าใจชัด ก็ย่อมเข้าใจชัดในสิ่ง น, นั้นอยกตัวอย่างอย่างกับอย่างกับที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมบทพระยศน ะ, ะที่ได้บทพระยศะแน่นอนที่สุดปรากฏว่าพระยศสุรบุตรนั้นท่านได้ฟังว่าทำมเทศนาการแรกของพระพุทธองค์ก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันแต่ครั้งหลังได้ฟังซ้ําอีกไม่ฟังซ้ําอีกครางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่เศรษฐีผู้เป็นบิดาซึ่งได้ติดตาม พยายามสร้างระบบมาก็จนได้สําเร็จเป็นพระอาหารหัตผลมีฟังครั้งที่สองนะฟังครั้งที่สอ ง, งฉะนั้นพวกเราเหมือนกันอ่าการที่เราได้ฟังอะไรไปบ่อยนั้นอย่าได้คิดว่ามันเป็นเรื่องจําเจหรือว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องว่าเราได้รู้แล้วนี่แหละเหตุอันนี้แหละจึงทําให้เรานั้นฟังเทศฟังธรรมแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะปลดเรื่องทุกโศกโลกทุกโศกหรือความเดือดร้อนต่างๆนานาได้ ก็เพราะว่าเราไปคิดว่าแหมเคยได้ฟังแล้วบ้างเรื่องนี้เคยรู้เรื่องดีบ้างนะองค์เทพนั้นรู้สึกว่ายังมีความรู้น้อยียังมียศต่ำอไอทำอย่างนี้นะบางคนนี่ก็แปลกน ะ, ะนักเรียนนักศึกษาทั้งผู้ฟังทั้งหลายท่านลองคิดดูสิว่าบางคนนี่ก็แปลกคือบางคนนี่มีมีค่าในยมเรียกว่าสูงนะทันสมัยคือรู้สึกว่าถ้าหากว่าจะไปฟังเทพฟังธรรมรู้ปฏิบัติธรรมอะไรนี่จะต้อง ไปที่ที่คนใหญ่ๆพูดนะที่คนใหญ่ๆมีชื่อเสียงพูดทั้งๆ ท, ที่บางครั้งตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่บอกว่าดีบอกว่าดีบอกว่าเข้าใจเขาพูดดีขอรักถามเอาไว้ที่ว่าพูดดีพูดยังไ ง, ง, งไม่รู้นี่ไม่รู้ไม่ทราบนี่เขาเรียกว่าเขาทำํทำทาตัวเองนะ่ะอยากทําให้สูงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เนะเป็นไปไม่ได้เพราะบางครั้งตัวเองไม่มีพื้นฐานแห่งการ ฟังธรรมะไม่มีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมบางย่อมจะไปฟังผู้ใหญ่หรือว่าพู้นั้นแท่จะเข้าใจไม่ได้ฉะนั้นมันต้องขึ้นขึ้นต้นใจก่อนเหมือนแบบเราจะขึ้นบันไดบ้านนี้เราต้องเหยียบบันไดขั้นแรกซะก่อนแล้วก็ไต่ขึ้นไปทีละขั้นละขั้นเราจะขึ้นบ้านจะ ก, ก้าวไปถึงขั้นสุดท้ายเลยเราเห็นท่าบจะยากนะ mm hmm. ฉะนั้นอันนี้ก็มีเหมือนกันลางคนนี้เรียกว่า เห็นผู้น้อยนีนทำเป็นไม่สนใจนะหรือบางทีจะเห็นผู้น้อยลงมาแสดงทำแฟ้งทังถาษรทำนี่ลุกออกไปเลยถือว่าตัวเองรู้ดีกว่านะเหนือกว่าอะไรทำนองนี้ถือว่านี่แหละพวกยังมีทิฐิมานะหรือว่าสำคัญตัวเองว่าเลิศกว่าดีกว่ารวยกว่ามีความรู้มากกว่าพวกนี้แหละคือว่าย่อมจะไม่ได้รับความรู้ดีเท่าที่ควรนะหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้ความรู้เลย ฟังไปแล้วก็อาจจะมีแต่ทุกข์ฟังไปแล้วก็มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนอ่ฉะนั้นในข้อนี้เราจะต้องอ่าตั้งกระยาณาจิตปลูกศรัทธาปลูกประษาทระความเชื่อความย่มใสให้มั่นคงในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะรู้เรื่องแล้วเราก็ฟังเอาบุญอ่าเราก็ฟังเอาบุญมันก็เกิดเป็นประโยชน์อ่ฟังเอาบุญมันก็เกิดเป็นประโยชน์ฉะนั้นถ้าเราฟังเราตั้งใจฟังมันก็ได้บุญ ถ้าเราดูเรื่องมันก็เกิดปัญญาได้รู้ด้วยได้ปัญญาด้วยอันนี้มันก็เป็นมงคลแก่ตัวเราเป็นจริงประเสริฐแก่ตัวเราฉะนั้นจึงบอกเลยว่าคนในสมัยพุทธกาลนั้นเวลาเขาฟังอะไรนั้นเขาตั้งใจฟังจริงๆเขาจึงฟังแล้วสามารถบรรลุได้จึงไม่มีหลักฐานที่บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธนั้นที่ว่าเป็นพุทธนั้นก็มีอยู่สี่ประเภทหนึ่งสัพพัญญุพุทธะผู้รู้เท่าทันแห่งสังขานทั้งปวงสอง ปัจเจกกับพุท ธ, ธะผู้รู้เฉพาะตัวเองสอนคนอื่นไม่ได้สามสุตตพุท ธ, ธะก็คือว่ารู้ด้วยการฟังนี่เห็นไหมฉะนั้นจึงบอกว่าการฟังนี่มีพละอานิสงส์ทําให้เราได้รู้ดีรู้รู้ชอบเกิดสติปัญญาสามารถจดถึงได้ว่าได้มรรคไ ด, ได้ผลได้นิพพานได้เรียนจากปุทุชนเป็นอริยชนได้นี่เกี่ยวกับเรื่องการฟังฉะนั้นจึงบอกว่าสุตตพุท ธ, ธะเนี่ยเป็นพุท ธ, ธะด้วยการฟัง แล้ประการที่สี่ก็สาวกษาพุท ธ, ธเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามนี่เห็นไหมเราจะเห็นว่าการฟังนี่จริงว่ามีมีพละอานิสงส์มากนะมีพละอานิสงส์มากฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงมาเป็นคนหัดฟังให้เป็นนะแล้วก็สนใจในการฟังบางคนเป็นเย่งเอาไปนเรื่องขี้เกียจนะเป็นเรื่องเวือนาย แค่ว่ามีตำนานแล้วก็พอแล้วนี่อันนี้ถือว่าคิดผิดนะถือว่าคิดผิดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเป็นทางที่จะให้เกิดสติปัญญาแล้วแต่ละคนที่มาพูดนั้นก็ย่อมบางคนก็พูดให้เราเข้าใจง่ายนะบางคนก็ ถ, าถ่ายทอดให้เราเข้าใจยากอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการและเทคนิคของแต่ละคนย่อไม่เหมือนกันนะบางคนมีความรู้มากแต่พูดให้คนเข้าใจไม่ได้แต่บางคนมีความรู้น้อยแต่ว่าสา ม, มารถพูดให้คนเข้าใจได้นะนี่ ดังนั้นอันนี้ก็บางครั้งก็จะเอาคนความรู้มากมาเป็นบรรทัศนไม่ได้จเจ้าคนมีลาบมียศมากมาเป็นบรรทัศนไม่ได้นะมีโอกาสเป็นได้คนละครึ่งนะทั้งคนมียศสูงคนมียศต่ำคนมีความรู้มากคนมีความความรู้น้อยเนี่ยมีโอกาสที่จะพูดดีไม่ดีได้เท่ากันครึ่งต่อครึ่งนะครึ่งต่อครึ่งดังนั้นนี้ก็ฝากนักเกรยียนนักศึกษาไว้เป็นข้อคิดพินาว่าขอเราทุกคนนั้นมาปลูก ศรัทธาความเชื่อภาษาธรรมความเลื่อมใสในการฟังนะในการฟังแม้ว่าเราจะฟังสักกี่ครั้งเราก็ตั้งใจฟังนะสรานการที่สามบันเทาความสงสัยเสียได้แน่นอนที่สุดฟังครั้งแรกยังสงสัยนะสงสัยครั้งที่สองก็สงสัยครั้งที่สามก็สงสัยพอครั้งที่สี่ร네ู allora ส uh, ้สึกว่าจะจะหมดไปฟังไบ่อยครั้งที่ห้าหมดไปเลยนี่ก็เรียกว่าบันเทาความสงสัยอะไรเสียได้นะที่เรามีความ อคิดเห็นอะไรที่มันยังไม่ถูกต้องทํตาตำมลองคลองทำหรือยังเครืองแแปลงอยู่ยังมีวิจิกิจฉาอยูอ่พอเราฟังบ่อยๆเข้าแน่นอนที่สุดเราก็ทําให้เรานั้นไม่มีความสงสัยทําให้เราหมดความสงสัยได้พราการที่สี่ก็คือว่าทําความเห็นให้ถูกต้องอ่าอ่าข้อนี้ก็สําคัญที่ว่าทําความเห็นให้ถูกต้องก็หมายความว่าอคนเรานั้น บางคนนั้นยังมีความเห็นผิดนะยังมีความเห็นผิดหรือว่ายังเป็นวิชาทิ่ผิดแต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมขององค์สามเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อาจจะทําให้ตันเองนั้นทําความเข้าใจถูกต้องตามทํานองครองธรรมได้หรือว่าเห็นถูกได้นะอันนี้ก็มีเยอะแยะในทางพระพุทธศาสนาสมัยก่อนนี่มีคนคิดอ่าเป็นพวกความคิดเห็นผิดอ่าเรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบกว่ามีเยอะนะ หรือว่าเห็นไม่ถูกต้องตามทํานองทองธรรมเห็นว่าคนที่เกิดมานั้นเห็นว่าคนที่เกิดมานั้นเกิดมาเป็นอย่างไรตายไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเกิดเป็นมนุษย์ตายไปก็เป็นมนุษย์เกิดมาเป็นวัวเป็นควายตายไปก็เกิดมาเป็นวัวตายไปก็เกิดเป็นวัวเป็นควายนี่แหละพวกเขาเรียกว่าสัจจะทิฏฐินะสัจจะทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงนะความเห็นว่าเที่ยงคือดิ่งเลยตรงเลยว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ นี่ยเราเกิดมาเป็นผู้หญิงตายไปก็เป็นผู้หญิงเราเกิดมาเป็นผู้ชายตายไปก็เป็นผู้ชายอย่างนี้มันก็แย่ถ้าว่าเราเกิดมาเป็นโจรมันก็ต้องเป็นโจรต่อไปเราเกิดมาเป็นคนชั่วก็ชั่วกันต่อไปอย่างนี้ก็ไม่ไหวอันนี้มันก็ผิดผิดจากหลักคำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเทวดาสองก็บอกว่าคนเรานั้นเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าไม่มีแล้วหมดกันไป นี่อันนี้มันก็ปฏิเสธอีกแหละนะปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลไม่ดีไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องเอะฉะนั้นคนประเภทนี้จริงว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็พยายามทําแต่ความชั่วตามอําเภอใจตนเองอยากจะทําอะไรก็ทําถือว่าเกิดชาติเดียวชาตินาวไม่มีอีกแล้วเพราะตัวเองเพราะคนที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาบอกไม่รู้ไม่เห็นนี่แหละถือว่าเป็นพิษเป็นภยัยสาหรับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษานักฟังธรรมเป็นอย่างมากนะฉะนั้นอันในข้นี้จะต้องพิจารณาให้ถูกต้องนี่ ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าคนเรานั้นมีทั้งอเกิดก็มีไม่เกิดก็มีนะเกิดก็มีไม่เกิดก็มีในการที่คนเราจะเกิดได้นั้นก็ยังมีเหตุนี้ปัจจัยให้เกิดยังมีเหตุนี้ปัจจัยให้เกิดถ้าหากว่าเราทําดียังไม่ถึงที่สุดมันก็ต้องเย็นไหตายเกิดเราทําชั่วยังไม่ถึงที่สุดก็ต้องเย็นไหวใยเกิดในอบไยภูมิทําดีก็ต้องเย็นไหวใจเกิดในมนุษย์ในเทพปยดาในพวก บันดาพรหมโลกอะเหล่านี้แน่นอนที่ถูกต้องเวีนว่าใจเกิดแต่ถ้าหากว่ามันหมดเหตุหมดปัจจัยนะไม่มีกิเลสไม่มีปัญหาแน่นอนที่สุดอันนี้เราก็ถือว่าได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองนะสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองที่เราก็จะเห็นได้ชัดแล้วว่าการที่คนเราทําความเห็นให้ถูกต้องนั้นจะทําให้เราเป็นสัมมาทิฏฐินะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านในบรรลุ อ, อริยสัจสี่ข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิว่าเห็นชอบเห็นชอบถ้าเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิ ด, ดแน่นอนที่สุดก็คงจะไม่ได้เป็นระสัมมาสมุทจา้าอ่าพวกเราทุกคนเหมือนกันทุกวันนี้มีคนเห็นผิดเยอ ะ, ะเห็นว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีนี่อันนี้มีมากข้อนี้เที่ยวยังแก้กันไม่ค่อยตกนะนักจะทําสร้างความให้เกิดการน้อยเนื้อต่ำใจเห็นว่าตัวเองนะพยายามทําดีถึงที่สุดแล้วยังไม่เกิด ก็ได้ผลดีนะไม่เห็นได้รับคําชมเชยไม่เห็นได้รับความยกย่องเลยอันนี้มันเข้าอยู่ในพวกอในพวกคนวิชาทิฏฐิในคนกลุ่มหนึ่งนะเขาเป็นมีความเห็นเป็นพวกวิชาทิฏฐิเขาบอกว่าที่เราเรียกว่าอันอัตยญาทิฏฐิคือความเห็นว่าไม่เป็นอันธทำหมายความว่าไงเขาเห็นว่า การทำดีนั้นจะต้องมีคนชมมีคนยกย่องมีคนเคารพมีคนบูชามีคนเห็นจึงจะเรียกว่าทำดีแต่ถ้าทำความดีแล้วไม่มีคนยกย่องไม่มีคนชมเชยไม่มีคนเคารพไม่มีคนบูชาไม่มีคนเห็นอย่างนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการกระทำความดีการกระทำความชั่วเหมือนกันถ้าหากว่าทำความชั่วแล้วไม่มีคนติชมนินทา ไม่มีคนติชินนินทาไม่ถูกจองจําไปลงโทษติดคุกปิดตารางก็ไม่ใื่ว่าเป็นการจะทําความชั่วนะแต่ถ้าทําความชั่วแล้วมีคนติชินนินทามีคนว่าร้ายหรือว่าถูกเจ้าหน้าที่จับไปจองจําหรือไปกักขังอย่างนี้ถือว่าเป็นการจะทําความชั่วนี่เห็นไหมดูดูเขาคิดผิดแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็เราจะทํา มีหรือทําชั่วจะมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นก็ตามอันนี้ไม่สําคัญนะอันนี้ไม่สําคัญคือตัวเองจะรู้ตัวเองย่อมรู้อยู่แก่ใจของคนเดียวว่าตัวเองนั้นทําดีอ่าย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองได้กระ ท, ทาความชั่วไอ้ความดีความชั่วมันอยู่ที่เจตนาพระพุทธองค์จึงได้สัจไว้ว่าเจตนาหังพิคเวกัมมังวะธามิว่าเรากล่าวว่าเจตานานั้นเป็นกรรมไอ้ตัวเจตนาเนี่ยเป็ น, เนตัวกรรมตัวกรรมแห่งการกระทาความดีกระทาความชั่วะ ถ้าเราทำความดีเราก็ต้องได้รับผลแห่งความดีเราก็ทำความช่วยเราก็ได้รับผลแห่งความช่วอันนี้มันเป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว<ม>เป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าคนทุกวันนี้จึงบอกว่าการทำดีได้ดีมีที่ไหนการทำช่วยได้ดีมีถมไปอันนี้ถือว่าเป็นการตู่กับพุทธคดและเป็นการเป็นภาิตของคนทานก็ว่าได้ที่จริงแล้วเราควรจะพูดบอกว่าการทาดีได้ดีนั้นมีแน่ ขอเพียงแต่มันทําความดีไว้ที่ทําชั่วได้ดีมีถมไปไม่มีใครจีรังพังทุกคนนี่จริงๆนั้นควรจะพูดอย่างนั้นนะควรจะพูดอย่างนั้นฉะนั้นจึงบอกว่าขอให้เราทุกคนนั้นมาทําความเห็นให้ถูกต้องนะอย่าเป็นพวกวิชาทิฐิเลยนะฉะนั้นประเภทที่สองที่บอกว่าอประเภทที่สองก็คือเป็นประเภทที่เรียกว่าอุเชทิฐิอ่าหรืออุเชทิฐิก็ดี หรือเรียกว่าอกคคญาทิฐิก็ดีนะพวกนี้ก็คือว่าอหตยะุกะทิฏฐิก็ดีอเหตยะทุกขทิฏฐิก็คือว่าความเห็นอันหาเหตุมีได้ก็หมายความว่าเขาบอกว่าคนเราถึงข่าวดีดีเองถึงข่าวร้ายหาเองไม่มีเหตุไม่มีผลนะไม่มีเหตุไม่มีผลถึงข่าวดีดมันมาเองถึงข่าวเคราะร้ายเคราร้ายมันก็มาเองไม่ต้องไปทําดีไม่ต้องไปทําความชั่วนี่เขาคิดอย่างนั้นแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้น จะดีหรือจะชั่วนั้นมาจากเหตุนะมาจากเหตุอันนี้ก็มีหลักฐานไว้เลยว่าเยธรรมมาเหตุดปภะเหตุปุปภวาเตสังเหตุตรงตถาคโตเตสังจะโยนิโรโตจากเอวังวาตีมหาสมโนทำเราได้เกิดแต่เหตุตถาคุสัดเหตุและความดับแห่งทำเหล่านั้นฮข้ามมหาสมณะมีปกติกล่าวอย่างนี้ซึ่งถ้าพูดให้สั้นก็คือว่าทำเราได้เกิดจากเหตุทำเหล่านั้นก็ย่ำดับลงด้วยเหตุี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมัน ที่มันยังมีเหตุก็ยังมีปัจจัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยแ น, น่นอนที่สุดก็ดับกันไปนะดับกันไปฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเหตุไม่ใช่ว่าถึงเขา ด, ดีเองถึงเขาเคราะอะไรเพ้าะอะไรเองไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็นนทธินอกพุทธศาสนาแลเดียการที่สามพวกพุทธกฐิธิก็มีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีบุญคุณต่อ ก, กันพ่อแม่ไม่มีบุญคุณนะแน่นอนที่สุดพ่อแม่เมื่อสร้างลูกคุณมาแล้วก็ต้องงเีย ع. โดยหน้าที่จะมาอ้างเอาบุญคุณไม่ได้ครูบาอาจารย์มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนถือจะมาอ้างบุญคุณไม่ได้นี่เขามีความเห็นอย่างนั้นความเห็นนี้เป็นความเห็นที่ผิดอผิดหลักในทางพระพุทธศาสนาอแล้วก็ถือว่าเป็นพวกวิ ช, ชาทิฏฐิ ด, ด้วยอเขายังยกตัวอย่างมาบอกว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมีบุญคุณต่อกันทําไมเวลาไฟไม่ป่าไฟทําไมจึงไม่บาปทําไมฝนตกรบต้นไม้ฝนจึงไม่ได้บุญนี่เขาก็ยกเข้าท้าเหมือนกันนะเขาก็ยกมาข้าท้าเหมือนกัน แต่จริงๆมันไม่ถูกะอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีบุญคุณเกะกันมีบุญคุณต่อกั น, นทั้งสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งไม่มีชีวิตทั้งสัตว์มนุษย์และก็สัตว์เดรัจฉานเป็นพวกมีบุญคุณตอกันทั้งนั้นเข้ากับใจํานองที่ว่าน้ำพุ่งเรือเสือพุ่งปลาฮะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้องอาศัยกั น, นไม่จะอไม่ว่่า แ, แม้แต่เจ้านายก็ยังต้องพึ่งบ่าวบ่าวก็ต้องพึ่งเจ้านายเจ้านายพึ่งบ่าวให้คอยรับใช้ในกิจการงานต่างๆนะบ่าวพึ่งเจ้านายก็คือว่าอพึ่งในด้านเรื่องเมตตาหรือว่าความ อ, อบเอื้ออารีสงเคราะห์ด้วยข้าวน้ำด้วยปัจจัยต่างๆนี่คือพึ่งกันคนละอย่างอไฟผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นบ่าวนั้นก็พึ่งแรงงานนะพึ่งแรงงานส่วน ไยพวกมบาไพ่ต่างๆนั้นก็คือว่าพึ่งกําลังทรัพย์นะพึ่งกําลังทรัพย์นี่อันนี้ไม่เรียกว่าเราพึ่งคนละอย่างฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนั้นอจงจำหนักเลยว่าเมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมมากๆ ก, ก็ยังจะทําให้เรานั้นมีความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองกลองทำเห็นว่าทําดีได้ดีเห็นว่าทําชั่วดีชั่วอย่างนี้มหลถูกต้องหลัการที่ห้าคือข้อสุดท้ายก็คือว่า เมื่อเราทําความเห็นได้ถูกต้องแล้วจิตใจของผู้ฟังก็เกิดความผ่องใสเกิดความผ่องใสก็หมายความว่าเมื่อเรารู้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วจิตใจมันก็ผ่องใสจิตใจก็โอื้าบเอืเอ้ออิน อ, อยู่ในธรรมเมื่อว่าเกิดทำรรมาบุตร ข, ขึ้นนะเกิดทำมาบุตร ข, ขึ้นอันนี้ก็ผลมาจากการที่เราได้ตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติธรรมนะตั้งใจปฏิบัติธรรมแมน่นอนที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทำไปแล้วมันต้องมีเหตุมีผลไม่ได้ทําไปแล้วสูนยเปล่าไม่ได้ทําไปแล้วสูนยเปล่าจิตของคนเรานั้นถ้าหากว่ายังเห็นไม่ถูกต้องมันก็ยังขุนมัวเมื่อจิตคุนมัวขุณมัวแล้วมันจะผ่องใสไม่ได้ผ่องใสไม่ได้เหมือนกับน้ําเหมือนกันเราเอาน้ํามาน้ําขุนขุนเอามาใส่ในแก้วไม้แก้วนั้นจะใสะมันก็ดูให้ขุนมองไปด้วยแต่เราเอาน้ําใสมาใส่ในแก้วที่มัวมัวแก้วทีส่สกปรก น้ำนั้นมันก็มัวไปด้วยก็ขุมไปด้วยนี่ฉะนั้นต้องน้ําใสด้วยแล้วก็แก้วนั้นก็ใสด้วยฮะถ้าอย่างนี้แน่นอนที่สุดอทางน้ําทางแก้วก็จะใสจิตใจของคนเราเหมือนกันนะถ้าหากว่าถ้าเราได้ฟังอะไรเข้าใจแล้วแ น, น่นอนที่สุดจิตใจก็ย่อมฟองใสย่ยอมเบิกบา น, นะแต่ถ้าเราฟังอะไรไม่เข้าใจฟังด้วยความโลกความโกรธความหลงหรือว่าผู้แสดงธรรมนั้นมีการแสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นรู้สึกว่าจิตใจของเราไม่สบายใจใจมันก็ขุ่นมัว ใจเราก็หม่นหมองมันมีมันเหมือนว่ามันมีทุรีอยู่เหมือนกับพระจันทร์ที่มีหมอกเมฆมาบางังเราเห็นไม่ชัดเราเห็นไม่ชัดเห็นแต่เป็นเงาดำๆเรือนหลาง อ, อย่างนี้ก็คือว่าไม่เป็นที่รักที่ทอบใจของของชาวโลกทั่วไปแต่หากว่าเราฟังอะไรเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งแน่นอนที่สุดก็เหมือนกับพระจันทร์ที่พนแล้วจากหมอกเมฆม้ อ, องจะผ่องใสนวลใยใครเห็นก็ต้อง่ต้องอต้องตาต้องใจเกิดความต้องตาต้องใจ ันั้นอันนี้แหละที่นีบอกว่าการที่เราได้ฟังธรรมนั้นถึงขั้นที่สุดก็ถือว่าจิตใจของผู้ฟังย่อมสังใสแม้ให้ถึงที่สุดสูงไปกว่านี้ก็คือว่าย่อมทําจิตใจให้เกิดสมาธินะคนที่มีสมาธิสมาธิย่อมมีจิตใจสงสัย่อมมีจิตใจเบิกบานเพราความตั้งนั้นนั่นเองเหมือนกับน้ําที่มันตกตะกอนนั้นมันก็ย่อมสงสัยย่อมสดใสเราจะเอามาทําอะไรก็เกิดเป็นประโยชน์มากนะคนใจของคนเราเหมือนกันถ้าว่าเป็นใจที่ปลอดจากมีวาทั้งห้ามีสมาธิ มีความมั่นคงตามหลักธรรมของพุทธศาสนาแม้จะทําอะไรมันก็มีคุณค่ามีคุณภาพมีพลังฉะนั้นขอเราทุกคนจงพาการเจริญธรรมที่เถิดแล้วใจก็จะมีความสงสัยเอาละการบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องอนิสงส์แห่งการฟังธรรมมาก็ขอสรุปสั้นๆได้อีกหน่อยว่าหนึผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสองสิ่งใดที่เคยได้ฟังแม้แต่ไม่เข้าใจชัดก็ย่อมอาจะฟังเข้าใจชัดได้อีกสามย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ ทั้มทำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าจุดของผู้ฟังย่อมผ่องใสแทนการฟังธรรมเมื่อว่าถึงประโยชน์อันจะถึงได้รับจากการฟังแล้วก็ย่อมมีมากมายถึงกับมีคํายกยเลิกหมายว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้พระพุทธองค์ได้จัดไว้ในมงคลลัทธที่บอกว่ากาเลนะธรร ม, มสวรรคเอต ม, มังธรรมุต ม, มังการฟังธรรมกรรการเป็นมงคลอันสูงสุดแต่ต้องเข้าใจว่าผู้ฟังจะต้องได้รับไอส่งมวยบูรณ์ตั้งอาศัยการตั้งใจ คอยฟังโดยความเคารพนี่มันอยู่ตรงนี้เลยว่าตั้งใจแล้วก็คอยฟังโดยความเคารพถ้าเราฟังโดยความไม่เคารพฟังโดยความคุงนใจบ้างฟังโดยการทำบ้างทำนี่บ้างออันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราฟังโดยเคารพในทางพระพุทธศาสนาจึงมีข้อคติเตือนใจว่าคนบางคนบางทีพอฟังเทศแล้วก็เกิดมีบอลห้าครอบงำห่วเหงาห้าวนอนห่วงเหงาห้าวานอนฟังนี้วกว่อนหลับอสับก่อนหลับหลับ บ, ลบังคนก่นอนเลยออันนี้ก็บอกว่า าตายไปแล้วก็จะไปเป็นงูเหลือมหรือพวกนี้ก็มาจากมูเหลือมด้วยนะรู้สึกว่าฟังแล้วก็ชอบนอนอยู่เรื่อยเทสที่สองฟังแล้วก็ชอบคุยกันนพวกนี้ก็ตายไปแล้วจะไปเป็นนกกระจอกหรือว่าพวกนี้มาจากตระกูลนกกระจอกหรือพวกฟังแลออ้วก็ฟังแล้วก็มือไม้ ไ, ม, ไม่ก็อยู่สุกหิบโน่นหยิบนี่อย่างนี้ก็ตายไปแล้วจะไปเป็นไส้เดือนหีืก็มาจากไส้เดือนแต่คนที่ฟังเทสตั้งใจฟังบ น, นมือฟังแล้วด้วยความเคารพอย่างนี้ก็ตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นลูกของ เทพลูกของพวกธิดาหรือข้าพบดีพวกราชามากษัตริยนะ์นะเรียกว่าเป็นมีบุญยาววาฒนามากฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายขอให้เราทุกคนจงเป็นคนฟังธรรมด้วยการตั้งใจนะตั้งใจแล้วก็ฟังโดยความเคารพมีสติคอร์ตระพกรองก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเอาลนะการบรรยายทำมาก็พอสมควรกับเวลาในสืบมีขอให้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขความสวัสดีขอจเจริญพร